พระบัญญัติก็ภิกษุได้รู้อยู่ชั้นวินาศบาทที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียมต้องอบัตปาจิตตีสิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบ